หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยได้บูรณะพระธาตุม่อนไก่แจ้จังหวัดรวม อันเป็นภูชนียสถานสําคัญที่สุดของเมือง พระธาตุพระรีบุญชัยคือใน 7 แห่งราชอาณาจักร 7 แห่งนี้ พระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์ที่เสด็จณปูชนียสถานสําคัญ 7 แห่งในราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ครั้งพระพุทธศาสนาเริ่มเผย 4 พระ 5 พระธาตุภาริบุญชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน 6 พระพุทธจินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและ 7 พระมหาธาตุสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพระมหาเจดีย์สถานอันสําคัญยิ่งในสมัยก่อนถึงกับมีคํากล่าวถ้า สามารถเดินทางไปไหว้ 2463 เมื่อประมาณปีเมื่อประมาณปี 2458 ได้เกิด โดยเฉพาะองค์พระธาตุทารีบุญชัยนั้นถึงกับยอดฉัดเอียงกุฏิวิหารในวัด วัดพระธาตุทารีภูมิชัยนั้นสุดโสมชมรุดปรักพังอยู่ทั่วพระอารามครูบาสีวิชัยจะนําเงินที่ไหนมาบูรณะได้ท่านตอบว่าตัวท่านเอง ครูบาศรีวิชัยจึงประกาศข่าวนี้แก่ เพียงชั่วเวลาไม่กี่วันต่อมา ยังมีชาวบ้านอีกจํานวนมากอาสาตัวเองเป็น 100 คนครูบาต้องตั้ง สามารถผูกจิตผูกใจชาวเมืองเหนือได้มากถึงๆให้เรียบร้อยดูงดงามส่วน ที่มีความรู้ในวิชาแกะสลักช่างปูนช่างปั้นได้รับความร่วมใจแล้วก็ การบูรณะปูชนียสถานโบราณสถานนั้นเปรียบประดุจดาบสองคมถ้าหากผู้บูรณะมี งานบูรณะวัดท่าทาริบุญชัยเสร็จ 6 ขึ้น 6 ค่ำปี 2463 สิ้นเงินในการบูรณะไปทั้งหมด 322,500 รูปีเงินรูปีสมัย 1 รูปี 85 สตางค์จึงเป็น 270,000 บาท เงินเกือบ 300,000 บาทในสมัยนั้นคิดเป็นค่าของเงิน ชีวิตในบ้านปลายของโยมอุสาโยมแม่ของครู ในการกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปางอีกครั้งครูบาได้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหญ่หลังโบสถ์ที่สร้างค้างไว้แต่เมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยวัดศรีดอนชัยสายมูนหรือวัดบ้านปางที่รวยราไปในระยะที่ครูบาศรีวิชัยถูกตั้งข้ออติกรณ์จนกระทั่งต้องลงไปรับการไต่สวนในกรุงเทพฯนั้นกลับหนาแน่นด้วยอุบาสกอุบาสิกาอีกครั้งหนึ่ง ครูบาศรีวิชัยต้นบุญที่พวกเขานับถือ ซึ่งถ้าหากครูบาจำมันสาอยู่ที่วัดบ้านปางเรื่อยไปเรื่องราวของท่านก็ เดินบุกป่าฝ่าดงมานมัสการครูบา อำเภอลีและอำเภอฮอด 2 อำเภอนี้มีอนาเขตติดกันถ้าหากมองดู มีตั้งบ้านเรือนปกครองลูกบ้านอยู่ผู้หนึ่งมีนามว่าพญาขุนแสงนักรีบนําเอา ทรงมอบพระเกศาธาตุให้พระญาคุณแสนทองรักษาไว้เส้นหนึ่งพร้อมกับทรงมีพุทธทํานาย เมื่อบริเวณนี้กลายเป็นที่ตั้งชุมนุมใหญ่ของนักล่อง ชาวบ้านธาเดือจึงพร้อมใจกันไปนิมนล์คู่บาสิวิชัยมาเป็นประทานในการบุรณะพระทาษนี้ด้วยกิศัพย์ชื่อเสียงที่ใครๆก็รู้ว่าคู่บาท่านสามารถบุรณะวัดพระทาษฐหฐริภูรณชัยอัญญาตโตเป็นผลสำเร็จนั่นเองคู่บาสิวิชัยไปถึงไหนสัทธาของผู้คนก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่น ประชาชนในเขตอําเภอหอดก็หลังไหลมาช่วยบูรณพระทากันมากมายคนที่มีฐานะดีก็บริจาทเงินช่วยคนจนที่ไม่มีเงินแต่มีสธาเปลี่ยมล้นในหัวใจก็สละแรงกายเข้าช่วยเพียงสองเดือนให้หลังพระทาตด่ออยเกิ่มก็สง่างามดังเดิมการบุรณะพระทาตดอยเกิ้งอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณมื่นสาพันสารอยว่าบาตรซึ่งเป็นเงินในสมัยนั้นั่น เป็นงานที่มีคนบริจาคทั้งสิ้นเป 3 วัน 3 คืนแล้วจากนั้น 1 คืนตามคํา ปัจจุบันนี้จมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนภูมิพลเสียแล้วเพราะ ครูบาได้มาแวะแสดงพระธรรมเทศนาให้ชาวบ้านฟังนั้นก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันและกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งนิคมเช่นบูรณะ วิหารพระละโววิหารพระเจ้าทันใจวิหารพระมหากัจจยนะๆในภาค ท่านได้เดินทางไปบุรนวัดและปูชนียสถานไลรนไฮหหตเลยเชียงใหม่เอบดบปลให้ยลให้ลไ bout อาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ долларов พุรนหมา taraf ทุกรนวรบดงรนมาบนเยี่ยดของท่านได้เราฝากย Ng ไว้ไว้มาด จากวัดรังให้กลับมาเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงสมัย และพระอานนท์พุทธอนุชาพร้อมด้วย ผาลาดสถานที่ตากผ้าจีวรนั้นก็ปรากฏเป็น นอกจากรอยพระพุทธบาทแล้วยังมี 7 ขวบอีกรอยและรอยเท้าโยคีอีกรอยนึงปรากฏ 7 ขวบนั้นตำนานเล่า 7 ขวบต่อมาได้ 7 ขวบนี่ ท่านจะเห็นๆในล้านนาไทยนั้นมักจะมีตำนานเก่า พระบฏปฏาฐผ้านี้ปรากฏในประวัติมาว่าเมื่อครั้งพระ แต่เนื่องจากในสมัยนั้น estos Kristin อยากกันไปมาหาสู่กับเมืองลำภูนย์วัดแห่งนี้จึงรุ่งเรืองและร่วงโรยตามการสมัยจนถึงครั้งพ่อขุ้นเมงรายมหาราษศามาศตีเมืองฮริปุญชายได้สำเร็จพ่อขุ้นเมงรายโปรดให้บุรณะพระอารามวัดพระพุทิบาทตากภา estuv เวลานั้นท่านพระครูปุติวงศ์ธาดาเจ้าคณะ จึงปรึกษากันว่าควรจะที่จะต้องใช้เงินจํานวนมากลําพังแต่ท่านพระครูและนายอําเภอป่าซาง ปีนั้นครูบาสีวิชัยจำ ท่านได้เดินทางจากวัด งานบูรณะวัดพระพุทธบาทท่านั้นเริ่มจากการถาง วัดนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์มา หรือที่ชาวภาคเหนือรู้จัก 2491 ครูบาพรมาท่านเป็นชาวลําพูนเช่น 20 ปีท่าน แล้วก็ไม่เคยลาศิขาบทเลย 2466 ระยะ สมัยนั้นจากเชียงใหม่ไปสู่พะเยาต้อง เพราะว่าท่านได้รับปากกับชาวพะเยาและ ซึ่งยังเป็นวัดร้างโดยทันทีไม่คํานึงถึงความลําบากหรือไม่สะดวกที่ท่านจะได้เพียงแต่ทําความสะอาดปัดกวาดศาลาหลังหนึ่งให้เรียบร้อยขึ้นท่านก็สามารถจําวัดอยู่ได้อย่างสันโดษบาได้ตรวจตราดูทั่วบริเวณวัดภสิงห์แล้วท่านก็พบว่าวัดนี้วิหารศาลาก็ ส่วนใหญ่จะต้องลงมือสร้างกันขึ้นใหม่ใหญ่จะต้องลงมือสร้างกันขึ้นใหม่ในนั้นถ้าหากว่า ซึ่งศรัทธาจากคนต่างๆจะพากันมาอย่างหนาแน่นขนาดของวิหารจึงจําเป็นจะต้องใหญ่เพื่อให้พอแก่ผู้คนที่จะมาทําบุญฟังเทศน์ที่วัดส่วนโบสถ์เป็นเพียงสถานที่ประดิษฐานพระประธานเท่านั้นมีเนื้อไม่กว้างนัก ในการที่จะบุรณะขอสร้างวั δผลสิ่งขึ้นใหม palace ถึงแมว ρท็ปจะทันทีที่ท่านไปถึงนาคลเชียงใหม passport บรรรดาสารุสิบเก่าแก่และคนเมืองจำนวนมากจะมาชุมนุ่มกันพร้อม เพื่อร่วมใช้แรงงานช่วยเหลือในการบุรณะวัดไüğ็งก็ตามที่ ภูบาเชื่อหมั่นเสมือว่าในการทำความดีนั้น ภูชนียๆว่าจะต้องขอลองอธิษฐานดูก่อนถ้าเทวดาช่วย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 ต้นไม้ใหญ่ต้นไหนที่ไม่กีดขวางก็ปล่อย ในที่สุดงานถางต้นไม้ต้นหญ้า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 เจ้าจักคําขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลําพูนก็ทรงมาร่วมเป็นกําลังในการบูรณะ แต่งานจะหยุดชะงักอยู่กับที่ รูปบาสีวิชัยนั่งปรารภพักใกล้ๆกันนั้นว่าเวลานี้เงินทองที่จะบูรณะก่อถ้าเทวดาไม่ช่วยก็เห็นจะจบลงเหตุมหัศจรรย์เหลือเชื่อก็เกิดเทวดาช่วยให้เงินมิถุนายนปี 2467 งานบุรณะวัดพระสิงค์กำลังอยู่ในขั้นที่คนงานช่วยกันขุดรากฐานของพระวิหารหลังเก่าออกเพื่อวางรากฐานหลังใหม่มีผู้คนคณะสัดฐาเป็นร้อยคนช่วยกันทำงานนี่อย่างไม่เห็นแกน่อย Newman หรือว่าอมิตรษิลท์สินจ้างครูบาควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดในทำกลางวงล้อมของอุบารสกอุบาซิกา เวลานี่เงินทองที่จะนำมาบร鼠รณะวัสพระสิ่งนั้นเท็บจะไม่มีเหลือแล้วเห็นที่จะไม่สามารถก่อสร้างวีหารหลังใหม่ได้เสร็จแล้วนอกจากเทวดาจะมาช่วยชี้ขุมทรัพท์ ให้เป็นพุนในการบรJac ให 않아วัสพระสิ่งเท่านั้น ขนาดนั้นเป็นเวลา 10 นรีกาเสีย คนงานได้ขุดพบหม้อบรรจุแผ่นทองคำเนื้อบริสุทธิ์ 477 แผ่นนับเป็นน้ำหนักทองคำถึง 360 บาทกับเศษอีก 1 สลึง ประหนึ่งว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นแล้วก็เกิดใน ตั้งแต่ปี 1888 นั่นเองครูบาปลื้มปิติเหลือเกินที่ได้ อันจะเป็นการทําลายคุณค่า ในสมัยพ่อท้าวผาอยู่เป็นกษัตริย์ครองนคร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 โดยให้ช่างเงินชาวเชียงใหม่ตีแผ่เงิน 477 แผ่นแล้วจะรึกอักขระโบราณลงในแผ่นเงิน คราวนี้ก็สามารถที่จะนําแผ่น แล้วก็พากันเชื่อสนิทใจว่าครู ก็มีผู้คนมาหาท่านเพิ่มมากขึ้นทั้ง ท่านต้องนั่งเหมื่อยขบอยู่อย่างนั้นให้ศีลให้พรอนุโมทนาในส่วนกุศลตลอดเวลานี่เอง เมื่อมีเงินพร้อมการบูรณะ 5 วันต่อเม 28 มิถุนายน พ.ศ. 2467 คนงานก็ขุดพบพระพุทธรูปทองคําอีก 3 องค์พระพิมพ์ 37 อง. บรรจุอยู่ในบาทกล่าวแบบลังกาเมื่อเวลา 9:00 น. นวันนั้นทุกคนถือเป็นนิมิตอันดี ก็ร่วม 1595 รูปีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบาตรศาลาทานและเวลา 2469 วัดพระสิงห์หรือวัดเชียงลีพระอันเป็นวัดร้างมานานก็ๆคนใน ซึ่งเพิ่งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบ 25 พฤศจิกายน 2468 ได้เสด็จพระ จัดขบวนช้างชนิดไม่เคยมีมาก่อนในนครเชียงใหม่ขบวนพยุหาญาตราสถลมาศจาก และสมเด็จพระบรมราชินีอย่างใกล้ชิดในวันที่พระ งานฉลองวัดพระสิงห์ผ่านพ้นไปแต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่างานบูรณะวัด ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในแผ่นทองคํานั้นเล่าไว้ว่าพ่อทาผาอยู่ราชะโอรสของพระเจ้าคําฟูได้นําอัฐิของพระเจ้าคําฟูบรรจุลงในพระอบทองคําแล้วนําพระอบ 2469 นั่นเอง เคยปรารถนาที่จะสร้างหอพระไตรปิฎกขึ้นทางด้านเหนือของพระวิหารจึงให้คนงานถากถางพื้นที่ก็พบฐานพระสถูปองค์หนึ่งอยู่ในดงหญ้านั้นครูบาเห็น คือมีพระอบ 3 ชั้นทองเหลืองเงินและ ซึ่งล้วนแต่ทําด้วยทองคําประดับอัญมณีมี ครูบาสีวิชัยได้มอบให้แก่ทาง พร้อมด้วยเครื่องราชูปโภคล้ําค่าเหล่านี้ได้อันตรายฐานสูญหาย และสร้างจากเมืองปายมาสู่บ้านแม่มาลัยอำเภอเมืองตาง ตลอดระยะเวลาสงครามไม่มีใครคิดถึงระยะเวลาสงครามไม่มีใครคิดถึงแต่เมื่อมีการย้ายที่ทำงานกลับมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังสงครามสิ้น ก็คงยังอยู่ครบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ผล 2467 จนล่วงเข้าปี 2471 เป็น 3 ปี 4 ปีงานบูรณะวัด 74,000 รูปีนับเป็นเมื่อท่านบุรณะวัด จากวัดร้างที่รกด้วยป่าหญ้าๆเพื่องานบูรณะสร้างสรรค์ที่ เมื่อตอนที่พระครูบาเจ้าได้รับนิมนต์จากเจ้าคณะแขวง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 ติดตามไปช่วยหาสิ่งของเครื่องใช้ 30 คนส่วนครูบาเจ้านั้นนั่งบนเสลี่ยงขานหามซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นขบวนของนักจาริก ดังนั้นเมื่อขบวนของท่านดําเนินไปถึงหมู่บ้าน ตรงผ้าขาวผ้าแดงบ้างก็ปูเสื่อศาสน์อาสนะไว้รอง ถึงขนาดบางคนยินยอมนอนคว่ําเพื่อให้พระครูบาเจ้าได้เดินไปบนร่างของตัวคนอื่นๆพอเห็นเข้า พอไปถึงปรำที่ได้ จนเมื่อไปถึงอีกหมู่บ้านนึงก็จะพบกับขบวนแห่ของ จากการบันทึกการเดินทางของคณะพระ ถึงหมู่บ้านต้าวบุญเรืองรับนิมนต์พัก 1 คืนถึงหมู่ 4 คืน 3 ขึ้น 9 ค่ําออกจากตีนดอยสะเก็ดไปถึง 5 หลังคาเรือนนิมนต์รับจตุปัจจัยทยทานจากนั้นก็ไปถึงศาลาปางช้างปงอ้อ การเดินทางต่อไปผ่านป่าผ่านดงได้มีกะเหรี่ยง 70 แถบจากนั้นบรรดาเจ้าจนถึงป่ง ในระหว่างทางนั้นจะต้องเดินไปจน พวกศรัทธาชาวบ้านก็พากันนำขันเข้าตอกๆตกบูชาขบวนนักบุญของท่านเข้า แล้วก็ยังมีผู้ศรัทธาเข้ามามอบตัวเพื่อขอบวชเป็นสามเณรถึง 21 รูปด้วยต่อจากนั้นวันรุ่งขึ้นขบวน 3 ขึ้น 15 ค่ําท่านได้รับการถวายเครื่องทยยทานจากนั้นมีผู้ศรัทธาเข้ามา จากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง 3 ยอดซึ่งมีทั้ง 5 ชาวพื้น 50 รูปอยู่ 3 เชื้อ ซึ่งต่างก็มีความยินดีร่วมทํา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 นี่คือบันทึกการเดินทางของขบวน ขบวนนักบุญด้วยการเดินเท้าผ่านหมู่บ้านมากมายพระครู จึงไปสู่จุดหมายซึ่งนับ ต่างถือขันธ์ข้าวตอกดอกไม้ธูป โดยคนหนึ่งได้น้อมนำมาซึ่งต้นข้าวที่มีลักษณะพิเศษคือต้นเดียวมีร่วงถึงเจ็ดร่วงปักติข้าวหนึ่งต้นมีร่วง Audrey tá says zet가 hormones position as well you don't donate either aí onym一点 pin wäl agua ti the way to lowCo Luna, the like to it has a bill of Triculate, though jump down to your body, von5000波 will give up over and over and on the road, someone calledassemble through the pool which includes cards and plays like drop. Thank you he's a bad pickup of the pool in the pool. นำดอกบัวหwing. factors เกิดที่กลางขวานพะเยานำสายพานข้าวตอกธูปเทียนมา นับว่าเป็นการอันใหญ่หลวงกลัวว่าจะทําแต่ นายคัมภีรึกซึ่งเป็นคนบ้านห้วยกามจังหวัดลําพูนได้ติด จึงได้ขอนิมนต์ให้ท่านกลับ ร่วมสร้างพระวิหารบุญสร้างและบูรณะซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันนั้นด้วยพระเจ้าตนหลวงเดือน 4 เหนือปีเดียวกัน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 โดยมีนายน้อยวงเปี้ยเป็นหัวหน้าช่างแต่ 5 ดอกและ ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดเช่นเดียวกันคือ 3 ดอกสืบต่อกันขึ้นข้าง ใช้เวลาเพียงปีเสร็จก็สําเร็จเสร็จใชไป 5 ไปจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน 6 ต่อจากนั้นท่านจึงได้กลับมาพำนักยังวัดพระเจ้าตนหลวงอีกครั้งจนกระทั่งเวลาล่วงสู่ปีต่อ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 วิหารนี้ก็จะไม่มีนี้ก็จะไม่มีครูบานักบุญแห่ง เพราะเห็นว่าเป็นพระอารามอันสําคัญยิ่งโดยเฉพาะ ทรงมีพระศรัทธาที่จะทรงร่วมบูรณะวัดสวนดอก เหมือนการบูรณะวัดพระสิงห์ที่ผ่านมารีบมาหาพร้อมกับ ไม่ว่าจะเป็นอิฐหรือปูนเจ๊ง๋อมี ซึ่งนับตั้งแต่เจ๊กหงอได้ขับรถยนต์ไปรับ ถูกคนลอบยิงอาการสาหัสจนต้องเข้ารักษาตัวใน ท่านอึ้งไปนิดนึงแล้วก็บอกกับทายกๆเพราะแม้แต่ญาติของ 2475 ชาวเชียงใหม่ ถึง 7 วัน 7, 7 คืนจนกระทั่งพระวิหารหลวงใหญ่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่และภาคเหนือ 10 ล้านบาทก็สร้างไม่ได้งานของครูบาสีวิชัยนั้นใหญ่หลวงนักเมื่อ นั่นก็คือการสร้างถนนผ่านป่าเขาลำเนาห้วยอนทุรกันดารขึ้นสู่วัด สู่นครพิงค์ในสมัยพระเจ้ากือนา 5 ศตวรรษอยู่บนขุนเขาสูง หรือในสมัยต่อมาก็ตามในสมัยต่อมาก็ตามประชาชนคนเมืองชาวเชียงใหม่ และนับว่าเป็นผลงานอันยิ่ง ยิ่งกว่าปูชนียสถานเก่าแก่ใดๆในนครแห่งนี้เพราะฉะนั้นก่อน ซึ่งทรงครองนคร 1910 ถึง 1931 นั้นได้ทรงอาราธนาพระมหาสุมนเถระ ในการเดินทางนั้นท่านได้อันเชิญพระบรมศาหรีริกฐาสัมคัญที่กุฒพที่เมืองปลางจามาด้วยต่อมาพระเจ้าคือน่าทรงปรัฐนาที่จะหาสัดธานที่อันเหมาะสมเพื่ออันเชิญพระบรมศาหรีริกฐาสัดธานไปประดิศัฐานสร้างเป็นพระอามสัมคัญคู่นครเชียงใหม่เพื่อจะให้ชา chillsได้บูชาสการะ ท่านแนะนําว่าให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเหนือช้างมงคลของพระองค์แล้วเสียงช้างให้นําพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในที่อันสมควรต่อไปพระ แล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณสัปปคัพทองคําเหนือช้าง และเสนาอำมาตย์เดินตามเป็นจำนวนมาก 13 ปีในคุ้มหลวง จนกระทั่งถึงบริเวณผาลาดใน ไม่ได้หยุดที่นี่คงเดินเรื่อยๆจนกระทั่งมา 3 รอบแล้วแผ่เสียงร้อง เสียงดุริยางค์ก็ประโคมขึ้นณจุดที่ตาม เรียกชื่อดอยหรือว่าขุนเขานี้เช่นดอยกาละอันหมายถึงขุนเขา ส่วนชื่อดอยสุเทพนั้นได้มาจากนาม 1203 แล้วก็ไปอัญเชิญพระนางจามเทวีธิดากษัตริย์เมืองละโวมาครองเมืองหริปุญชัยหรือว่าลำพูนดังนั้นหลังจากที่พระเจ้ากือนาได้สร้างสถูปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ ทรงทํานุบํารุงวัดพระบรมธาตุ องค์ให้สร้างเสริมขึ้นใหม่สถูปใหญ่ที่สร้างครอบพระ 6 วาสูง 11 วาพระ 10 บาททําเป็นรูปดอกบัว ในปี 2100 สมัยพระมหายานมงคลเป็นเจ้าอาวาสท่าน 60 วาทอดยาวขึ้นไปสู่ลาน ได้สร้างพระธาตุดอย 2477 เนี่ย 550 ปีไม่ว่าผู้เจ้าณครองนคร จะขึ้นไปไหว้พระธาตุกันครั้งหนึ่งก็เพื่อ คติความเชื่อที่ว่าปูชนียสถานแห่งครคร 7 ครั้งแล้วเมื่อ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 คือผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อ 2477 ซึ่งนับเป็นผลงาน ระยะเวลาแค่นี้กับการสร้างถนนขึ้นเขาระยะทางยาวถึง 10 กว่า ครูบาสีวิชัยได้พิสูจน์ขึ้นดอยสุเทพนี่แหละการสร้าง จนถึงเชิงดอยสุเทพตามแนวถนนสายปัจจุบัน 5 ชั่วโมงเต็มในการเดินเท้าขึ้นเขาๆเลยความ 2460 แล้ว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 ก็ได้ปรึกษาหารือกับครูบาทเท่มปรึกษาหารือกับครูบาเธมเจ้าอาวาสวัดแสนฝางวัดแสนฝางนี่ เป็นภิกษุที่มีผู้เคารพนับถือ จากเชิง 1,053 เมตรหลวงสีประกาศก็ไปพบครู พอครบกำหนดหลวงสีประกาศก็ไปหาครูบาที่วัดพระสิงห์อีกครั้งหนึ่งท่านก็ให้คําตอบชนิดที่ทําให้คุณหลวงอึ้งไปเลยท่านบอก รับไม่เห็นถนนขึ้นไปจนถึงวัดน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเงินทองก็ไม่มีแม้แต่ทางราชการที่เคยประมาณ 10 วันหลวง ไปเป็นครั้งที่ 3 ท่านก็พร้อมกับเล่านิมิตประหลาดที่ ท่านเชื่อว่านี่คือนิมิตที่เทวดามาบอกแทนซึ่ง ข่าวเรื่องที่ครูบาศรีวิชัยจะเป็นประธานสร้างถนน แม้ว่าจะถูกยิงปางตายเมื่อครั้งไปช่วย 5,000 แผ่นแจก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 แต่จะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นตลอดเวลาจะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นตลอดเวลาๆที่จะ ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองอ่าท่านบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปพฤศจิกายนปี 2477 เวลา 10:00 น. ท่ามกลางคนเมืองเชียงใหม่และลำพูนเป็นจํานวนมากกับผู้คน จากภิกษุสานุศิษย์ของครูบาศรีวิชัยแล้ว สนับสนุนสิทธิ์ของครูบาก็จะรับหน้าที่บาสร้างถนนน้อยกว่าปกติไม่ๆที่เคย ด้วยความเป็นห่วงว่าจะสร้างถนนให้เสร็จภายใน 6 ขุดรากสร้างถนนตามเนื้อที่ของตัวเล่ากันมาว่าเช่นคน ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้ง พอสร้างเสร็จน้ํามาก็ถูกน้ําห้วยพัด งานใหญ่อย่างเนี้ยจะต้องมีเทวดา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 ครูบากับครูบาเถิ่มก็ต้อง 5 วา 10 วาลด 2 วางานสร้างถนน ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ๆของท่าน คือระยะเวลาที่ครูบาสร้างถนนขึ้นวัดบรมธาตุเป็นผลสําเร็จอันนับเป็นเวลา 10 กว่ากิโลเมตรการสร้าง และอุปสรรคต่างๆที่มีแต่แรก เป็นที่วิตกกันว่าจะไม่สามารถหาข้าวหาน้ํา ต่างก็นําข้าวปลาอาหารและน้ํา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 เพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะ ตามสภาพถนนที่เป็นถนนดินในครั้งนั้นสภาพถนนที่เป็นถนนดินในครั้งนั้นเจ้าแก้ว คือเสียงของครูบาศรีวิชัยเรื่องลือ ท่านจะไม่เหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกต่อไปตราบใดที่สายน้ําปิงไม่ๆท่านไม่แต่ สำหรับคราวนี้ทําไมท่านถึงขันติแตก 3 วัดคือวัดโสดา 3 วัดนี่นะ แต่ทําได้สําเร็จเพียง 2 วัดเท่านั้นคือวัดโสดาตรงเชยเอ่อเชิงดอยสุเทพวัดโสดา ครูบาท่านตั้งใจจะสร้างขึ้นที่มั่นพญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนล้านเล่ากันว่าครูบาท่านเปรียบการสร้างถนนขึ้น สาเหตุนั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าในบรรดาผู้ที่มาช่วยครูบาสีวิชัยสร้าง ครูบาท่านก็จัดการบวชลูกหลานๆที่มี ข้อหาทําพิธีบวชโดยภาระการเพราะว่าครูบาศรีวิชัย มีประขาวปีปะขาวปีซึ่งเป็นศานุศิษย์คนสําคัญของครูบาตั้งแต่ครั้งท่านยังอยู่วัดบ้านปางแล้ว เพราะการห้ามไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งบวชตลอดชีวิตนั้นรู้สึกจะๆเพราะ เมื่อบวชแล้วภิกษุสามเณรทั้งหมดก็อยู่กับปฏิบัติแล้วก็ทําตามที่เม 60 วัดขอลาออก ที่แน่นอนก็คือครูบาท่านไม่ได้เป็นภิกษุที่ใฝ่หาความยิ่งใหญ่หรือสมณศักดิ์ๆทั้งสิ้นๆเหล่านั้นกระด้างกระเดื่องต่อ แต่เดิมโดยมาขอขึ้นกับครูบาสีวิชัยแทนนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยความเห็นดีเห็นงามของพระภิกษุเหล่านั้นเองซึ่งครูบาสีวิชัยเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เรื่องความศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ไม่ว่ายุคไหนสมัย ครูบาสีวิชัยจึงถูกสอบสวนความ 2478 เวลานั้นครูบาท่านจำพรรษาอยู่ที่ ข้อ 1 ฝ่าฝืนการปกครองลักษณะสงฆ์ แต่ท่านปฏิเสธทุกข้อว่าไม่ได้ทํา เมื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไประหว่างที่ครูบาศรีวิชัยถูกสอบสวน อิจฉาครูบาสีวิชัยที่มีชื่อเสียงมาก ชาวเมืองเชียงใหม่และศานุศิษย์จํานวนมากที่ทราบข่าวว่าท่านถูก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 คราวนี้เหมือนกับลูกระเบิดตกใจนับพันนับหมื่นต่างก็พากันไปหาครูบาศรีวิชัยที่วัดภสิงห์ยาม กล่าวว่าข่าวนี้สร้างความจุลมุนวุ่นวายไปทั่วนครเชียงใหม่ทีเดียวทางฝ่ายครูบาเถิ่มเจ้าอาวาสวัดแสนฝางซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านท่านก็บอกกับ ท่านก็ไปขึ้นรถไฟเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจสถานีเชียงใหม่ โดยพระยาอนุบาลพยัคฆกิจข้าหลวงเมืองเชียงใหม่ต้องออกแถลงการชี้แจงกับประชาชนนับ ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปกรุงเทพฯตามคําสั่งของมหาเถระสมาคมออกแถลงๆนะหลังจากที่ท่าน เมื่อเหตุการณ์ไม่มีทีท่าว่าจะๆที่ว่าท่านต้องไปรับการ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 เหมือนกับชาวเชียงใหม่ได้คิดว่าไม่ควร 3 พฤศจิกายนก็มาพักอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรเหมือน 2 นี้ข้อ ครั้งแรกนั้นชื่อเสียงของครูบายังไม่เป็น 3 เดือนเป็นเหตุหลัง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 เช่นจะยื่นบัญชีการสํารวจบัญชีกลางปีต่อคณะ 2 การบวชประชา 3 เมื่ออุปสมบทแล้วต้องมีหนังสือสุทธิอันชอบด้วยระเบียบการคณะสงฆ์จะ 4 งานปฏิสังขรณ์ก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 5 จะช่วยเหลือในการก่อสร้างสถานที่เล่าเรียนเพื่อให้ แล้วก็อ่าจะฟังคํา จะพบว่ามีอยู่หลายตอนแลแลแล 2 และ เพราะว่าในระยะนั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าครูบาศรีวิชัยได้ชนะใจทั้งชาวบ้านทั้งพระถ้าให้ครูบาศรีวิชัย ก็ย่อมมีภิกษุและสามเณรเชื่อถือ 4 ที่แสดง แต่คณะสงฆ์ของเชียงใหม่ก็ให้ และผู้เดียวที่จะสามารถประสานรอยร้าวนั้นได้ก็คือครูบาๆที่ขอลาออก ในเชียงใหม่และลำพูนนี้เป็น 2478 ระหว่าง อันในหัวเมืองภาคเหนือเป็นเหตุการณ์และสอบสวนที่กรุงเทพที่เช่นพระบาท นะซึ่งพระเนนในวัดทั้งสองนี้ล้วนแต่เคารพเชื่อถือศรัทธา จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกมากทีเดียวเช่นว่าปัญหาเรื่องพระ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยพระ สอบภายหลังจากที่ได้มีการอบรมและสอบสวนกันนานหลายเดือนและอบรมครูบาสีวิชัย 4 ข้อที่เจ้าคณะ ก็อยู่รับการอบนี้เป็นเด 6 เดือน 17 วันท่านจึงได้รับอนุญาตให้กลับภาคเหนือได้ๆ18 พฤษภาคม 2479 คือวันที่ครูบาศรีวิชัยกําหนดจะไป อันสําเร็จเรียบร้อยในขั้นแรกแล้วนี่ให้ถาวรท่านยืนยันหนัก ท่านจะไม่เหยียบแผ่นดิน จนท่าน 2 ปีต่อๆแต่ว่าเหมือนหนึ่งเชียงใหม่ต้นทาง ไปประดิษฐานๆวันนั้นเป็นท่านอาจจะสงสัยและเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นั่นก็คือเมื่อมีการ เหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องๆพอท่านได้กลับ เมื่อวันที่พระครูบาเจ้ากลับไป ด้วยสำนึกว่าเท้าของท่านบริสุทธิ์เกิน จากนั้นจึงพร้อมกับศรัทธาสาธุชนนิมนต์ท่านไปพักที่วัดทะทาทาริบุญชัยแล้วก็ทําพิธีถวายเครื่องสักการะวันการนี้ได้มี ทั้งนี้ด้วยมีความประสงค์ที่จะ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 สร้างความเหน็ดเหนื่อยและลําบากยิ่งนักเมื่อท่าน จนมีน้ำเต็มสระบนวัดทั้งที่วันนั้น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 หลังบูรณะและจัดงานฉลองวัดจามเทวีหรือว่าวัด ุบจมองเห็นประโยชน์ในการสร้างสพาน์นี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่สามารถลําเรียงสินค้าทางสรรค์ป่าตองไปลําภูลได้รวเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นรวมไปถึงการติดต่อถึงการระหว่างเชา้าลําภูลกับเชียงใหม่ดังนั้นจึงอํานวยประโยชน์อย่างมากทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่เมื่อคํานึงถึงสังคารแล้วท่านไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงก่อสร้างสพาน์จนเสร็จได้ด้วยเวลานั้นท่านชราลงมาก วันคืนกําลังจัดท่ากําลังกายของท่านไปทุกขณะเนื้อหนังอันเคยเปล่ง แต่สะพานจากนั้นประครูบาทเจ้าก็เดินทางไปสู่สถานที่แม่น้ําปิงนี้ ทุกคนกระทำด้วยความเต็มใจด้วยความเคารพเทิดทูนต่อท่านอย่างเต็มเปี่ยม ดังนั้นการก่อสร้างก็หยุดชะงักลงไป 60 ปีแล้วท่านจึงคิดจะ ซึ่งการทำบุญครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ ของท่านที่ท่านหมอเองก็ต้องตายเหมือนกันแหละกับหมอคอซึ่งเป็นหมอ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 เพียงประการเดียวก็บรรลุอรหันต์ขณะเดียวกันที่คอยกลั่นแกล้งใส่ความพระครูบาศรีวิชัยนั้นเราจะมีบั้นปลายเป็นอย่างไรกฎแห่งกรรมที่ คือขณะฉันข้าวข้าวก็ไปติดลำ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 ดังนั้นในวันแรม 13 ค่ําเดือนกรกฎาคมปี 2481 ท่านเรียกบรรดาสานุศิษย์มาพร้อมหน้ากันแล้ว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 และต่างรู้สึกเป็นห่วงท่านเป็นนั้นมากต่างรู้สึกเป็นห่วงท่านเป็นอันมากก็พยายามปฏิบัติวัตถ์เฝ้าดู ทำให้ร่างกายอ่อนกำลังลงอีกโดยห้าม ดังนั้นจึงได้รวบรวมรถราไปรับท่านท่านเองน่ะรู้ พอรู้ข่าวอาพาธของท่านก็พากัน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 เมื่อไปถึงก็รู้สึกว่าอาการของ 1 เดือนอาการของท่านก็ 3 รูมีน้ำเหลือง นำเสลียงหามท่านไปชมรอบบริเวณวัตรและออกไปสู่นอกกำแพงโดยก่อนหน้านั้น ท่านสั่งให้ปรูกุตİมุงได้ย้าคา อยู่นอกเกชนำแพงวัตรไว้หนึ่งหลังครั้นพอขึ้นกุตินั้นแล้วท่านก็สั่งให้เอาคนโทรมาหลังน้ำแล้วประกาสต่อสานุษัยว่าขอหมอบวัดว่าอารามทั้งหมดนี้ แด่ประสาน 5 ยอดตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามเตรียมไว้ เวทนาของเราเดี๋ยวนี้ก็คงไม่แตกต่างอะไรกับกบตัว อย่าเอาซากศพของเราไว้ในเขตวัดเป็น แม้กระทั่งดวงดาวที่เคยส่องแสงเกลื่อนท้อง ไม่มีเสียงสัตว์หากินกลางแด่ตนบุญแห่งหลานนาใน ท่านส่งเสียงอิดโรยและอ่อนล้าออก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 แล้วร่างของท่านโกนิงไม่ไหวตึงแล 5 นาที 30 วินาทีตรง 21 เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2481 ปีขาลรวมสิริอายุได้ 60 ปี 8 เดือน 10 วันในบรรดาลูกศิษย์ของ ยังไม่คืบคลานมาถึงสภาพโดยทั่วไปก็คือ เพราะว่าโลกที่มองนั้นเป็นโลกแคบนักหาผักปลามา ถึงวันจันทร์เดือน 7 เหนือปีฉลูเป็นวันมหาสงกรานต์ภาษาเหนือเค้าเรียกวันปาก กับแต่อย่างใดส่งให้แล้วจะเอาไปนั่งกินเดินกิน เมื่อตรากตรำทำงานหนักมากอาหารก็ไม่สู่สมบูรณ์ เพราะว่าการเดินทางจากแก้วเมียขวัญไปด้วยอาการกระวนกระวายเด็กชาย 8 ขวบเด็กน้อยในป่าไร้เดียงสาก็ได้ แต่เพราะต้องอยู่อย่างเดียวดายเพียง 2 คนแม่ 16 แล้วหนังสือสัก เรียนรู้แต่ธรรมชาติก็คงมีชีวิตอยู่ได้รู้แต่ธรรมชาติก็คงมีชีวิตอยู่ได้ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนเป็นอันมากก็มีความคิดว่าน่า 16 แล้วก็อยากจะ อีกประการหนึ่งการบวชนั้นก็เท่ากับเป็นการแทนคุณพ่อ หลวงปู่ได้พิจารณาดูลักษณะของจำปรีย์อย่าง 16 ปีแล้วแต่ เด็กหนุ่มจำปีนั้นสำนึกตัวว่าไม่มีความ จันทปีก็ไม่ได้นิ่งดูดายมันสังเกตพิจารณาในการช่างเข้าไปช่วยทํางานนั้นอย่างตั้งเมื่อถึงเวลาอันสมควรหลวงปู่ก็จัดการให้บวชเป็นผู้เป็นแม่เป็นอันท่านก็สอนให้ร่ำ ตั้งมาได้ในการก่อสร้างที่มักจะทําความประหลาดๆเป็น 6 พรรษา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 ในสมัยนั้นชาวบ้านไม่เคยถูกเกณฑ์ทหารเพราะทะเบียนสมโนครัวยังทํากันไม่เรียบร้อยแล้วก็มีอยู่เป็นจํานวน 18 นั้นตอนนั้นน่ะท่านมี มัติเมือร์คดีเกินอายุ 35 ปีแล้วถือว่าคุณพลนการเกริษ์รถือ alter สารถึงให้วดเรื่องนี่ไว้ก่อนแต่ท่านไม่ยอมรับแต่คุณพ pimี Ask frequency จะ долларов แล้วจัดการสืบจากการเป็นภิกษุแต่พอ ท่านอภิชัยขาวปีทนทุกข์อยู่ใน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 ท่านก็ถามว่าโรงพยาบาลนี้จะต้อง 1,600 บาทก็สร้างได้เงิน แล้วก็กำชับให้ปฏิบัติต่อท่าน 2,000 บาทเกิน 400 บาทแล้วโรงเหนือแรม อันที่จริงตอนที่ท่านอยู่ในเรือนๆกันนัก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 กำนันก็รับว่าจริงแต่เป็นศรัทธาของชาวบ้านเองคราว เรียนภาคกาสวพัดเป็นนุ่งขาวห่มขาวท่ามกลางญาติโยม พากันหลั่งน้ำตาแห่งความปิติล้มตัวลง คือปรากฏว่ามีพระพุทธรูปองค์หนึ่งหน้าตักประมาณ 1 ศอกจมอยู่ใต้แม่ เอาด้ายสายศิลเล็กๆให้คนดำน้ําไปคล้องพระพุทธรูปไว้ บ้านร้องอำเภอบ้านโฮ่งชายคนหนึ่งมีความ ได้กล่าวคำอนุโมทนาอวยพรตามพิธีของก็บอกว่ามะพร้าวอ่อนเนี้ยอาตมารับแล้วก็อนุโมทนาแล้วเป็นอันว่าได้บุญสมปรารถนาของโยมแล้วโยมเอามะพร้าวกลับคืนไปเถอะอาตมาให้โยมเพราะว่าลูกชายโยมก็อยากจะกินอ่าเอาไป อีกเรื่องนึงเกิดขึ้นในขณะกําลังอยู่ใน 2 ตอนนั้นท่านร่วมกับศรัทธา เรียกว่าปะไม่ได้ไทยถามว่าอะไรเป็นอะไรเป็นขบวนทีเดียวปรากฏว่า ที่ตื่นตระหนกก็เพราะไม่ทันรู้ตัวอยู่ๆก็สะท้านสะเทือนก้องไปทั้งป่าท่านก็ร้องเตือนญาติ ที่ไม่ได้สนใจในแนวคําเท่านั้นมีผู้ประสบเหตุการณ์ได้ตัวเองกันมากแล้ว วันนั้นครูบาอภิชัยขาวปีต้องขึ้นไป 1 เม็ดก็กลิ้ง ออกสรรค์หวั่นหายด้วยเห็นแน่ชัดว่าหิน แล้วปักไม้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้กั้นเหมือนก็ว่าฝันไปข้างหน้าหินพอกลิ้ง ว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ 3 ครั้งทุก 3 ครั้งวาระสุดท้ายของ ท่านได้ชื่อว่านักบุญองค์ที่ไทยการพัฒนาจิตก็ท่านสามารถได้วัตถุและจิตควบคู่กันไปสมกับที่